บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปปัจจัยแห่งนามรูปที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นท่านสอนให้ผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานกำหนดพินิจพิจารณาแยกแยะออกไปให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นปัจจัยของนาม และอะไรเป็นปัจจัยของรูปปัจจัยของรูปนั้นเน้นหนักไปที่รูปของสัตว์คือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายตัวปัจจัยของรูปจึงเริ่มที่อวิชาตัญหาอุปาทานและกรรมปัจจัยทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยส่วนที่เป็นนามธรรมมีผลสืบเนื่อง ข้ามภพชาติมาได้ด้วยและบุคคลสร้างขึ้นเพิ่มขึ้นในปัจจุบันด้วยปัจจัยอีกประการหนึ่งก็คืออาหารโดยความหมายก็ได้แก่สิ่งที่นำผลมาเฉพาะในที่นี้จะนำไปศึกษาทำความเข้าใจกับปัจจัยหลักคือวิชาซึ่งเป็นมูลราก ของกิเลส ท, ทั้งหมดทั้งมวลในพระพุทธศาสนาแสดงมูลรากของกิเลสเอาไว้ว่าวิชานั้นเป็นมูลในอดีตส่วนตัณหานั้นเป็นมูลในปัจจุบันการปฏิบัติธรรมในทางศาสนาจึงมุ่งตัดอวิชชาและตัณหาเมื่อบุคคลผู้ปฏิบัติสามารถตัด อวิชชาตนหาลงไปได้กิเลสที่มีชื่อและมีลักษณะอาการต่างๆก็ชื่อว่าถูกตัดถูกทํำลายไปความทุกข์ซึ่งเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากกิเลสก็ชื่อว่าถูกทําลายตามไปด้วยคําว่าวิชาโดยความหมายนั้นก็คือความไม่รู้บางครั้งก็แปลว่าความไม่เห็น ถ้าจะถามว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็คือการไม่รู้ไม่เห็นความจริงตามสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วท่าเน้นหนักไปที่ความไม่รู้หลักของอริยสัจ ท, ทั้งสีประการไม่รู้เรื่องราวที่ผ่านมาแล้วในอดีตคือขันธาตุในอดีตไม่รู้เรื่องขันธธาตุในอนาคต ไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตไม่รู้กฎของปฏิจจสมุปบาท น, นี่โดยความหมายทั่วไปแต่บางครั้งท่านจะกล่าวไว้เพียงสองในยะเท่านั้นว่าวิชานั้นได้แก่การไม่ปฏิบัติซึ่งก็หมายความว่าาสรรบใดที่บุคคลยังไม่ลงมือปฏิบัติ เสริมสร้างวิชาคือความรู้ให้เกิดขึ้นในจุดนั้นนั้นอวิชาในแต่ละจุดก็คงมีอยู่สักนั้นแต่ถ้าบุคคลเริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติเมื่อวิชาบางเกิดขึ้นในจุดใดก็ทำลายอาวิชาลงไปในจุดนั้นได้ตัวอย่างเพิ่งเห็นเช่นการที่บุคคลใช้ ความเพียนพยายามในการศึกษาและเรียนในการปฏิบัติธรรมเมื่อเกิดรู้เกิดเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเช่นนั้นความไม่รู้ในส่วนนั้นก็ดับไปและเมื่อวิชาเกิดขึ้นในส่วนอื่นก็จะทำหน้าที่ขจัดอวิชชาในส่วนดัง น, นั้นไปโดยลำดับอีกประการหนึ่งก็คือปฏิบัติเหมือนกันแต่ปฏิบัติผิด ในที่นี้จะพบว่าการปฏิบัติผิดนั้นบางครั้งนำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้เข้าไปติดอยู่ในไข่ของอวิชชาคือความไม่รู้และไปหลงติดอยู่ในสมาธิบ้างในฌานบ้างในนิมิตของกรรมฐานเป็นต้นบ้างทำให้ ความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติของบุคคลนั้นหยุดจะงักลงดังนั้นความหมายของอวิชาที่ท่านแก้เอาไว้ตามคำถามคำกราบทูลถามของท่านอาชิตมานกที่กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าโลกคือมูสัตว์อันอะไรปิดบังไว้จึงหลงดุดอยู่ในที่มืด พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงไว้ว่าโลกคือมู่สัตว์อัวิชาปิดบังไว้จึงหลงดุดจู่ในที่มืดคำว่าวิชาในความหมายนี้ได้กระจายออกไปให้เห็นลักษณะอาการและปฏิกิริยาถึงอวิชากระทำต่อจิตของบุคคลออกมาในรูปลักษณะต่างๆเช่น ความไม่ถึงพร้อมซึ่งหมายความว่าก็อาจจะรู้แต่เป็นความรู้ที่ครึ่งครึ่งกลางๆ ร, ร, รู้โดยไม่ท่องแพ้่อ็นี้เพิ่งเห็นตัวอย่างง่ายๆเช่นบุคคลรู้ว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปโดยปริยัติก็จำได้ศึกษาได้ท่องได้สูตรได้ แต่ถึงคราวที่เผชิญกับความพลาดพราดคร้จริงๆมีการร้องไห้เศร้าโศกเสียใจร่ำควรไปด้วยประการต่างๆอาการที่ปรากฏแก่จิตในลักษณะนี้เป็นการเชื่อเห็นถึงความไม่ถึงพร้อมในเรื่องเหล่านั้นความไม่ตามจัตรูซึ่งหมายความว่าอาการที่จิตของบุคคลไม่น้อมเข้าไป สู่คนทางที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้รู้อริยสัจ ต, ตามความเป็นจริงซึ่งได้แก่การประพฤติปฏิบัตินอกหลักขององค์อริยมรรคอีกนัยยะหนึ่งคือความไม่แทงตลอดโดยความหมายทั่วไปท่านสาธุชนทั้งหลายจะพบว่าคำสวด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 แต่ว่าปัญญาอันรู้เห็นตามเป็นจริงในสังขารเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นราบใดความแทงตลอดในนามารูปก็ย่อมจะไม่เกิดขึ้นสับนั้นคำว่าแทงตลอดนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงม่รู้เห็นแบบปริยัตินาไปประพฤติปฏิบัติจนสามาร ถ, ถถ่ายถอนความยึดติด ในขันทั้งหาไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตหยาบละเอียดเลบะณีตใกล้ๆกลก็ตามโดยมองเห็นขันทั้งห้าเหล่านั้นว่าเป็นเพียงรูปเป็นเพียงเวทนาเป็นเพียงสัญญาเป็นเพียงสังขารเป็นเพียงวิญญาณเท่านั้นโดยสภาวะที่แท้จริงแล้วขันทั้ห้าทั้งปวงจึงไม่ใช่ของเราการสมมติ การกำหนดหมายกันว่าของเรานั้นคือขั้นของการสมมติแต่โดยสภาพที่แท้จริงแล้วความเป็นของเราในสัตว์และสังขารทั้งหลายไม่มีแม้แต่ตัวของเราก็ไม่เป็นของเราสิ่งที่นอกจากตัวของเราไปจะเป็นของเราได้อย่างไรแต่ถ้าหากว่าใจของบุคคลยังยึดถือความเป็นของเราด้วยอำนาจของตัณหาอยู่ ปัญญารู้แจ้งแทงตลอดก็ยังไม่เกิดขึ้นนั้นเป็นการที่ยวเห็นว่าจิตของบุคคลผู้นั้นยังมีอ่อวิชาอยู่และความยึดถือว่าเป็นเราในรูปแบบต่างๆด้วยอำนาจมานะซึ่งข้อนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องแยกให้ออกระหว่างความจริงขั้นสมมติกับความจริงขั้นประมัติความจริงขั้นสมมติก็คือสมมติ ที่จะต้องเป็นให้เป็นเป็นให้ได้เป็นให้ดีในฐานะนั้นๆแต่ไม่ยึดไม่ติดอยู่ในความเป็นเหล่านั้นเมื่อความเป็นของตนได้เปลี่ยนแปลงไปปรับใจได้ทําใจได้ยอมรับความจริงในเรื่องเหล่านั้นถ่าย t อนความยึดติดด้วยอํานาจมานะลงไปได้นี้ชื่อว่าแทงตลอดในเรื่องเหล่านั้นถ้าทําได้อย่างนี้ก็เป็นการ จัดอภิชาในจุดนั้นลงไปอีประการหนึ่งแปลว่าความไม่ถือพร้อมซึ่งหมายความว่าความรู้ในชั้นต่างๆเช่นความรู้ด้วยการศึกษาการสดับสับฟังรู้ว่านั่นเป็นทุกข์รู้ว่าสมุทยัยรู้ว่านั่นเป็นนิโรดนั่นเป็นมรรคสามารถคิดตามเห็นตามคล้อยตาม อธิบายชี้แจงเนื้อหาสารัะของเรื่องเหล่านั้นได้โดยท่องแท้แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วไม่สามารถที่จะลงมือประพฤติปฏิบัติให้สมบูรณ์ในองค์เรียมักทั้งแปดประการจนมีผลในการขาจัดตัวสมุทยัยอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ได้ดังนี้ชื่อว่ายังมีอวิชชาจุดในจุดนั้น หรือความไม่เห็นเสมอคำว่าความไม่เห็นเสมอนั้นข้อนี้จะพบว่าบางครั้งบางคราวปัญญาปรากฏขึ้นชัดเจนภายในใจิตใจจิตโนม้มน้อมเข้าไปเห็นไปจากชัดในเรื่องเหล่านั้นถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรมะลองสังเกตดูบางครั้งเวลาที่จิตใจเราสงบด้วยอำนาจของสมาธินั้น ปัญญาหรือวิชาเป็นแสงสว่างปรากฏโพงขึ้นภายในจิตใจเห็นเรื่องเหล่านั้นได้ไปตั้งครึ่งตั้งค่อนแต่ดูเหมือนจะมียางเหนียวอย่างหนึ่งมันก็ตุกจิตกลับไปแล้วก็เพลินไปในอารมอย่างอื่นฟุ้งสั้นชัดสายไปในอารมณ์ถึงอื่นอีกลักษณะอย่างนี้เป็นความเห็นที่ไม่เสมอแต่ถ้าหากว่า เป็นตัววิชาจริงๆความเห็นของบุคคลจะเสมอเสมอออกมาในรูปที่มองเห็นสิ่งนั้นเป็นเพียงอย่างนั้นเท่านั้นอย่างว่าเกี่ยวข้องกับราบกับยศกับสรนเริญกับความสุขหรือแม้แต่เสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกก็รู้แต่ว่านั่นสักแต่ว่าโลกธรรม สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วมีความเปลี่ยนแปลงแปรแปรวนไปตามธรรมดาเกิดขึ้นก็ไม่ระเริงลงดีใจเสื่อมสลายไปก็ไม่โธมนัดเสียใจเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งแปลว่าความไม่ทําให้ประจักษ์คำว่าไม่ประจักษ์นั้นคือประจักษ์ด้วยจิตจริงๆเห็นเป็นปัญญาที่พวงขึ้นกระจัดความมืดในจุดเอียวนั้นลงไปได้ ซึ่งชั้นนี้จะพบว่าเรื่องธรรมะที่ส่งแสดงในชั้นของการศึกษาสะดับสับฟังการอ่านตำราตมาและแม้การน้อมนำมาพิจิรณาคนเข้าใจคนคิดได้แต่ว่าเอาข้าจริงแล้วในการจะประจักษ์ชัดด้วยปัญญาจนสามารถถ่ายถอนตัณหามาณะดังกล่าวและออกไปได้นั้นมันเกิดได้ยากถ้าตราบใดที่ยังไม่เกิด ศาสนั้นก็คงเป็นความเห็นที่ไม่ประจักษ์แจ้งอยู่นั่นเองข้อนี้พึงเห็นได้ปะเมื่อพระพุมีพระภักเจ้าทรงแสดงธรรมะแก่พระปัญจวัคคีในอนัตตลกนสูตรซึ่งเป็นประสูตรที่ฟังกันเคยชิดนั้นเริ่มจนพระองค์ทรงชักนำความคิดของท่านเหล่านั้น ให้พินิจพิจารณาดูขันทั้งห้าประการให้เห็นว่าเป็นอนัตตาดยอาธิบายเห็นว่าถ้าเป็นอัตตาตัวตนแล้วขันทั้งห้าก็จะไม่เป็นไปเพื่ออภาตและสัตว์ทั้งหลายจะตั้งความหวังให้ขันห้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้แต่เพราะขันห้าเป็นอนัตตาขันห้าจึงเป็นไปเพื่ออภาตมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามเหตุตามปัจจัย ตาทั้งหลายไม่อาจจะตั้งความหวังว่าให้ขันท่าของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดจะได้เป็นอย่างนั้นเลยได้เมื่อดึงจิตใจของท่านเหล่านั้นให้มาพิจารณาดูที่ขันท่าดังที่กล่าวแล้ว <S <S ก็ได้ลองทดสอบความคิดจิตใจของท่านเหล่านั้นโดยรับสั่งถามเป็นใจความสรุปว่าลูกกรพิสูจทั้งหลายผู้เธอทั้งหลายจะสําคัญเรื่องนี้เป็นอย่างไร ขานเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะรับสั่งถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่าท่านก็ตอบว่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะรับสั่งถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นการสมควรไหมที่เราจะไปยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราดังนี้ท่านเหล่านั้นก็กราบทูลว่า ไม่เป็นการสมควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะซึ่งก็หมายความว่าอาศัยที่ท่านปัญจวัคคีย์เริ่มปรับแนวความคิดมาอยู่ที่ความเป็นอนัตตาแห่งขันทั้งห้าทำให้ท่านมองเห็นอนิจจังทุกขังในขันท้าโดยตอนทั้งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงเรื่องอนิจจังทุกขังแก่ท่านเลยแต่ท่านเห็นเพราะท่านสามารถทาให้ประจักษ์ที่ตัวอนัตตาได้ ข้อ น, นี้อย่างที่ได้กล่าวในตอนต้นว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเป็นลักษณะร่วมกันของขันธ์ห้าเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพื้นฐานความเข้าใจของท่านปัญจพักคีมาอยู่ในจุดนี้พระเจ้าจึงรับสั่งแสดงว่าเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุทั้งหลาย ขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีแล้วก็ดีวันนี้ก็ดีอันใดอยู่ในที่ไกลก็ดีอันใดอยู่ในที่ใกล้ก็ดีขันห้านั้นก็สักแต่ว่าขันห้าไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้นี่คือความรู้ความเห็นที่ชอบ ทิพทางภาษาบาลีใช้คําว่าส ม, มัปปัญญาบ้างยาถาภูตยานะัศนะบ้างคือแปลว่าความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงอย่างไรสิ่งเหล่านั้นโดยสภาวะที่แท้จริงมีอยู่เป็นอยู่อย่างไรก็เห็นอย่างนั้นแต่ถ้ายังไม่เห็นเช่นนั้นจนสามารถถ่ายถอนตันหามานะทิฏฐิในเรื่องในสิ่งเหล่านั้นออกไปได้จากนั้นก็คงจเป็นนวิชาอยู่ ดังนั้นอวิชชาจึงแปลว่าความไม่ทาให้ประจักษ์สาปใดที่ยังไม่ประจักษ์สาปนั้นก็ยังเป็นอวิชชาความหมายหนึ่งท่านบอกว่าความรู้ได้ยากซึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงจิตที่ถูกคุ้มห่อด้วยอวิชชาเนี่ยตัววิชานั้นคล้ายๆกับสนิมที่มันกัดกร่อนอยู่ที่เหล็กการที่บุคคลจะเลาะสนิมออกไป แล้วขาดเหล็กให้อยู่ในสภาพที่บริสุทธิ์จากสนิมนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่เป็นเรื่องทำได้พระพุทธศาสนาจึงได้เน้นที่ความเปลี่ยนพยายามตามหลักของสมาวายามะซึ่งจะเห็นได้ว่าด้วยหลักของสมาวายามะที่ทรงสดแสดงไว้นั้นอกุศลอันใดที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ทรงสอนให้สารวมระวังอินทรีย์เวลาตาเห็นรูปหูเขังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นนิ่มรดกายถูกต้องปุตภะ และใจตรุกนึกถึงอารมณ์เพื่อป้องกันอะไรป้องกันไม่ให้เกิดความยินดีและความยินร้ายในอารมณ์เหล่านั้นและในขณะเดียวกันกิเลสภายในจิตใจของบุคคลก็มีอยู่ได้เก็บได้สะสมเอาไว้ในอนดีตตการนานไกลบ้างผสมเอาไว้ในปัจจุบันใกล้บ้างและแม้ในขณะนั้นบ้างท่งสอนให้ละความเรียนใดที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็ส่งสอนให้เพียรพยายามสร้างความดีให้เกิดขึ้นส่วนความดีที่มีอยู่แล้วก็รักษาไว้ด้วยวิธีการปฏิบัติเช่นนี้ความยากต่างๆก็จะกลายเป็นความง่ายขึ้นข้อนี้มันเหมือนกับการทำงานอะไรม่ๆรู้สึกว่าอาจจะแก้งก้างไปบ้างลาช้าไปบ้างลังเลไม่มั่นใจบ้าง แต่เมื่อทำบ่อยๆฝึกปรือบ่อยๆ อ, อบรมบ่อยๆ อ, อย่างที่ทรงใช้คําว่าภาวิตาโพลิกาตาอบรมกระทาให้มากอบรมกระทาให้มากเพราะอะไรเพราะพระองค์เองก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้านั้นสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ทรงประกอบด้วยธรรมฐานประการคือไม่ประมาทมีความเพียรมีความตั้งใจจริงที่จะทําให้ได้ผิดพลาดไปหกลม้มหกลุกไปก็ลุกขึ้นมาใหม่ แล้วก็ก้าวเดินต่อไปแม้จะล้มอีกก็ลุกขึ้นมาอีกแล้วก็เดินต่อไปอีกโอกาสหนึ่งพระองค์ก็ได้จัดสรุปทำลายอาวิชชาออกไปได้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นสิ่งที่ยากทั้งหลายนั้นมันไม่มีอะไรยากเกินความเพียรพยายามของมนุษย์เหตุนั้นพระองค์พระพุทธองค์จึงทรงสรุปว่าบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรและด้วยความเพียรพยายามนั้นเอง จึงทรงแสดงไว้ในจุดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่นี้คือจุดของการที่จะทําลายอาวิชชาประการต่อไปที่เราแปลกันว่าความเข่าความไม่รู้ทั่วพร้อมความลหลงไหลความมัวเมาซึ่งอาการเหล่านี้จะเห็นได้ว่าบางครั้งเป็นความเข่าคือไม่รู้แม้แต่ด้านของเหตุผลว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นผลของอะไร บางคบางกราวผลที่เกิดขึ้นแก่ตนนั้นแทนที่จะสืบสาวโยงก็ไปหาเหตุซึ่งตนได้กระทําเอาไว้แต่ก็ไม่ยอมโยงเข้าไปในที่สุดก็ไปโทษดินฟ้าหมหาสมุทรผีสางเทวดาว่ากันไปตามเจิงแต่ถ้าหากว่าบุคคลมีวิชาขึ้นในจุดนี้โยงได้ว่าผลเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากเหตุนี้และเมื่อเราจะสร้างเหตุนี้ผลจะออกมาอย่างนี้ ผลอันใดที่ไม่พึงปรารถนาก็ไม่สร้างเหตุเพื่อเกิดผลเหล่านั้นขึน้นมาผลอันใดที่ต้องการก็สร้างเหตุเหล่านั้นขึ้นและในขณะเดียวกันผลที่เกิดขึ้นแล้วจะดีหรือไม่ดีก็ตามเนื่องจากเหตุนั้นเราประกอบเองแล้วก็พร้อมที่จะรับผลเหล่านั้นที่บังเกิดขึ้นนี่ก็เป็นการทําลายจุดหนึ่งของอวิชชาการทําลายวิชาไปบ่อยๆนั้นผู้ปฏิบัติก็จะเห็นได้ว่าคล้ายๆกับว่า ไม่คลองที่มืดเราจุดแสงเทียนเล็กๆขึ้นไปทีละนิดทีละดวงสองดวงจุดไปเรื่อยๆโอกาสหนึ่งเมื่อแสงสว่างมีเต็มที่ความมืดความมืดในห้องนั้นก็จะถูกกำจัดไปโดยสิ้นเชิงแน่นอนแม้แสงสว่างจะไม่เกิดขึ้นเต็มที่แต่ว่าจุดใดที่แสงสว่างปรากฏอยู่จุดนั้นความมืดจะไม่ปรากฏ ดังนั้นการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าในจุดใดก็ตามที่เกี่ยวกับกิเลสพระพุทธศาสนาจึงแสดงออกมาในรูปของสัเลักษณคือขัดเกลีขัดเกลีไปเรื่อยๆตามกําลังความสามารถที่จะกระทาได้และเมื่อทําไปได้แล้วอวิชชาในแต่ละจุดของเรื่องเหล่านั้นก็จะค่อยดับไปโดยลําดับอย่างที่เคยยกตัวอย่างมาแล้วว่า การดับของอวิชานั้นเราเห็นได้ง่ายๆเหมือนกับการเรียนหนังสือนั่นเองเมื่อก่อนเรามีอวิชชาในตัวกอพออ่านตัวกอได้อวิชชาในจุดนั้นก็ดับไม่รู้มีอวิชชาในตัวขอพอ อ, อ, อ่านขอได้อวิชชาในตัวขอก็ดับแล้วก็ดับไปเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมะในชั้นที่ละเอียดลงไปก็มีลักษณะเช่นเดียวกันซึ่งหมายความว่าอาวิชากับวิชาคือความรู้กับความไม่รู้ มันเหมือนกับความมืดกับแสงสว่างจะเกิดขึ้นในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันไม่ได้ในจุดใดที่มีความมืดอยู่ในจุดนั้นชื่อว่าไม่มีแสงสว่างในจุดใดที่มีแสงสว่างในจุดนั้นชื่อว่าไม่มีความมืดอ ว, วิชากับอวิชาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นความจริงของเหรียญสองด้านเมื่อด้านหนึ่งปรากฏอีกด้านหนึ่งจะปรากฏด้วยไม่ได้ในขณะนั้น ดันั้นท่านจึงบอกว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ทั่วพร้อมซึ่งหมายความว่าถ้ารู้ทั่วพร้อมสมบูรณ์แล้วอวิชาก็จะดับไปบางครั้งเป็นความหลงไหลเป็นอาการเพลินที่เกิดขึ้นเพราะเข้าใจผิดเพราะหลงผิดในเรื่องเหล่านั้นทํานองกับคนไปเพลินนั่งไปเพลิอนนอนอยู่ ใกล้กรงของเสือกรงของราชาสีทราบใดที่ยังไม่รู้นั่นก็ลหลงไหลฝฟขันเพลิดเพลินอยู่แต่พอตื่นขึ้นมาเห็นราชาสีอยู่ในกรงจะต้องวิ่งหนีทันทีด้านการที่จิตของบุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันวันใดที่วิชาปรากฏขึ้นภายในจิตวันนั้นความลหลงไหลในเรื่องเหล่านั้นก็จะหายไป ซึ่งในกรณีนี้จะพบว่าไม่ต้องดูอื่นไกลมากอาการที่บุคคลเข้าไปหลงหลายเข้าไปมัวเมาสยบติดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งต่างๆทราบใดที่เขายังไม่รู้ความจริงในสิ่งเหล่านั้นจิตใจของบุคคลก็จะหลงไหลเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์นั้น แต่โอกาสใดก็ตามที่จิตของบุคคลได้รู้ความจริงในเรื่องเหล่านั้นก็จะหลีกหนีจากสิ่งเหล่านั้นไปห่างไกลเช่นสมมติว่าบุคคลที่ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดต่างๆการที่บุคคลไปหลงไหลฝ่ายฝันในบายมุก หรือสิ่งเสพติดต่างๆนั้นวันใดก็ตามที่เขาเกิดปัญญาเห็นไปจากชัดถึงโทษของอบายมุขเหล่านั้นก็จะเลิกละตัดขาดออกไปได้แต่ถ้าหากว่าปริมาณของความรู้หรือปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นไม่มากพอก็จะถูกท่วมทับด้วยความโง่วความเก่าอันเป็นลักษณะของวิชชา ก็จะหวนกลับมาสู่อำนาจของสิ่งเหล่านั้นอีกซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นได้ว่าตัววิชาที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลจะทาหน้าที่ในลักษณะต่างเช่นเป็นประดุชน์จะค่วงน้าพัดพาจิตใจของบุคคลไปในสถานที่ต่งตางข้อนี้จะเห็นได้ว่าสิ่งอะไรก็ตามที่ตกไปในข่วงน้า ถูกกระแสน้ําพัดพาไปนั้นจะขาดความเป็นตัวของตัวเองแล้วแต่กระแสน้ําจะพัดพาไปชั้นใดก็ดีจิตใจของบุคคลที่ยังถูกอวิชชาครอบงำโจก็จะถูกอวิชชาผลักดันให้หมุนบนไปตามกระแสของอวิชชาบางครั้งออกมาในรูปของการกักขังความคิดชีวิตวิญญาณของบุคคลเหล่านั้นเอาไว้ในจุดใดจุดหนึ่ง และในบางโอกาสตัววิชาก็จะสงบอยู่ภายในจิตใจยามใดที่ไม่มีอารมณ์กระแทกกระทันมาจากภายนอกอวิชาก็สงบจุในจุดนั้นแต่ยามใดที่มีอารมณ์กระแทกเข้ามาจากภายนอกอวิชาก็ฟูขึ้นรับอารมณ์นั้นอวิชาจึงกลายเป็นตัวกลุ่มรุมใจบางครั้งกลายเป็นความมืดบอด ในด้านสติปัญญาแม้แต่จะหาเหตุผลในเรื่องเพียงเล็กๆน้อยๆก็ทำไม่ได้อย่างที่พระเจ้าอุเทนทรงปรารบว่าพระทัยของพระองค์ขณะนั้นถูกความเข่าความมืดปอดปิดปังเอาไว้ไม่สามารถแจกได้ว่าอะไรเป็นอะไรใครถูกใครผิดเป็นต้นและเมื่อสภาพจิตตกอยู่ในลักษณะนี้ ก็เหมือนกับ น, นกที่ตกอยู่ในขายซึ่งนายพรานวางดักเอาไว้ความหวังที่จะรอดชีวิตหรือการกลับไปสู่อิสรภาพดังเดิมนั้นเป็นเรื่องที่หวังได้ยากดัง น, นั้นหลักการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาสายตรงจึงมุ่งที่จะขจัดอวิชชาให้หมดสิ้นไปโดยอาศัยการเสริมสร้างวิชาความรู้ ในทางที่ชอบประกอบด้วยมรตมีองค์8ประการเมื่อมรตมีองค์8ประการได้รับการปฏิบัติโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วสัมมาญาณะคือความรู้ชอบก็จะบังเกิดขึ้นจิตของผู้ปฏิบัติก็จะวิมุตต์หลุดพ้นจากอํานาจของอวิชชาและกิเลส ท, ที่มีชื่ออย่างอื่นซึ่งเมื่อถึงจุดนี้ชื่อว่าทําลายปัจจัยแห่งรูปและแห่งน้ําลงไปได้โดยเด็ดขาด ต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป